วันนี้จะมีพระแม่ชีแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งจากวัดป่าสุกโตนะผู้หลงบุคคาทองแล้วก็ที่ปากช่องอาสมวิริยธรรมนะซึ่งเป็นเครือข่ายของวัดป่าสุกโตจะเดินทางเข้ากรุงเทพนะเพราะว่า มีงานที่สวนโมกกรุงเทพเป็นงานชื่อว่าบูชาคุณหลวงพ่อคำเขียนปีที่แล้วก็จัดมาครั้งหนึ่งนะแต่ปีนี้จัดพิเศษเพราะว่าให้มีการปฏิบัติธรรมสามวันแล้วก็มีการบรรยายธรรมเป็นการปิดท้ายนะที่จัดก็เพราะว่าวันที่สิบสอง สิงหาคมนะอีกสามวันเนี่ยน ะ, ะเป็นวันคล้ายนะวันเกิดของหลวงพ่อคำเขียนแล้วก็ไม่ใช่วันคล้ายวันเกิดทั่วๆไปนะแต่เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบนะปดสิบปีนะถ้าหลวงพ่ อ, อยังมีชีวิตถึงวันนี้นะ <c oughs> ท่านก็จะมีอายุครบแปดสิบปีนะในวันที่สิบสองสิงหา ตอนที่ท่านมีชีวิตยอยู่เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่ได้ทําอะไรให้กับหลวงพ่อนะเนื่องในวันเกิดนะพ่อหลวงพ่อท่านก็ไม่ค่อยอยากจะให้คนเนี่ยให้ความสำคัญกับตัวท่านเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยสิบสองสิงหาก็ทางวัดก็ไม่มีอะไรพิเศษจะมีก็ปีห้าสองนะปีห้าสอง ปีห้าหนึ่งตอนนั้นจัดทำหนังสื อ, อเพื่อเป็นที่ระลึกนะในโอกาสที่หลวงพ่อมีอายุครบหกรอบนะ72ปีทำหนังสือเรื่องรู้ื่อนะแล้วก็มีเท่านั้นแหละแล้วก็มาหลังจากนั้นอีกอ4ีหปี ก็เริ่มมนะีการปลูกป่าเนื่องในวัน12สิงหาเพื่อเป็นที่ อ, อนุสอนให้กับหลวงพ่อนะเป็นการทำความดีถวายหลวงพ่อในวันคล้ายวันเกิดของท่านก็ไปปลูกป่ากันที่ภูหลงนะ เข้าใจวาตอนนั้นจะเริ่มเริ่มทำปี 5.7 ก็คือ2ปีที่แล้วแล้วก็เป็นปีที่หลวงพ่อได้มรณภาพนะหลังจากนั้นก็ทำเรื่อยมายพอถึงวัน12สิงหาก็จะมีการปลูกป่าเพราะหลวงพ่อ เ, เคยบอกว่าชีวิตของท่านเนี่ยมีสองสกนะกนึ่งคือการปฏิบัติธรรมท่านก็ทุ่มเทเพื่อการปฏิบัติและการสอนธรรมะ อีกสิ่งหนึ่งก็คือการอนุรักษ์ป่าแล้วก็งานอนุรักษ์ป่าที่ยังค้างค า, าอยู่นะก็ก็คือที่ภูหลงนี่แหละเพราะฉะนั้ น, นการไปปลูกป่านะก็เป็นการสืบทอดปนันทีทางของหลวงพ่อที่จริงปลูกป่าก็ปลูกกันทุกปีแล้วก็เลียกว่าตลอดแล้วดูฝนนะแต่ว่าเราก็จอดจงเอาวันที่สิบสองสิงหาด้วยนะ ถือว่าเป็นการระลึกถึงหลวงพ่อแต่เมื่อหลวงพ่อมาแลนาภาพแล้วเนี่ยนะก็จึงเริ่มมีการทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อนะปีที่แล้วก็เริ่มมาเป็นครั้งแรกนะเป็นงานบูชาคุณตั้งชื่อว่าเห็นไม่เป็นนะซึ่งเป็นคำสอนที่โดดเด่นของหลวงพ่อแล้วก็กระชับ นะท่านผู้อยู่เสมอว่าเห็นนะอย่าเข้าไปเป็นนะปีนี้ก็จะเป็นปีที่สองแล้วก็เป็นปีที่พิเศษเพราะว่าครบแปดสิปนะีแห่งชาติกาลหลวงพ่อก็อย่างที่พูดเอาไว้นะก็จะมีการปฏิบัติธรรมด้วยนะสามวันเริ่มตั้งแต่วันนี้นะพวกเราออกจากสุก osto ไปก็ถึงสวนบกรุงเทพนะก็จะเริ่มทําวัดเย็นกันแล้วก็เริ่มปฏิบัติธรรมกัน ก็จะมีญาติโยมนะจากที่ต่างๆมาร่วมปฏิบัตินะตลอด3มวันด้วยก็มีทั้งที่มามาค้างคืนที่สวนโมกเลยนะสามคืนแล้วก็มีที่มาร่วมสมทบในช่วงเย็นหลังจากเลิกงานแล้วก็มาทำวัดสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติธรรมจนสามทุ่มนะอันนี้ ทั้งพระทั้งแม่ชีแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมไปจากที่นี่ก็เพื่อไปอร่วมปฏิบัติธรรมแล้วก็ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นอัจเริยบูชานะการบูชาก็ทําได้สองอย่างนะบูชาด้วยสิ่งด้วยสิ่งของดอกไม้ทูบเทียนอันนี้เรียกว่าอามิสบูชาแต่บูชาที่ผู้เจ้าสารเสริญก็คือปฏิบัติบูชานะีก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะมีพวกเราเนี่ยจากสุขโตแล้วก็จากวัดที่เป็นเครือข่ายเนี่ยไปร่วมนะปฏิบัติธรรมเพื่อถวายกับหลวงพอ่อแล้วก็เป็นการเชิญชวนให้ลูกศิษย์ลูกหานีมาทําความดีในวันนี้อย่างที่หลวงพ่อปรารถนาจะเห็นนะคือการเจริญสติแล้วก็อาจจะมีคนที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนที่เพิ่งสนใจเขาก็จะได้ เกิดกำลังใจเกิด ค, ความกระตื้นล้นที่จะปฏิบัติมีข้อสงสัยอะไรก็ปรึกษาครูบาอาจารย์นะแล้วก็วันที่12ก็จะเป็นวันพิเศษนะก็จะมีการบรรยายมีการบรรยายธรรมมีการอภิปรายนะเรื่องสืบสืบสารปณิธานของหลวงพ่อนะตอนเช้าเรื่องมันเป็นอะไรกับอะไรตอนบ่ายนะอันนี้ก็ อบอกกล่าวไว้นะเผื่อว่าคนที่ได้ยินคำบรรยายนี้นะจากทางอินเทอร์เนต็ตนะก็จะได้หาเวลาว่างนะไปร่วมนะปฏิบัติร่วมงานนี้ด้วยนะจะเป็นการปฏิบัติทมก็ดีจะ ก, การไปฟังทมก็ดีก็ดีทั้งนั้นแล้วงานนี้ก็ยังมีหนังสือ3มเล่มออกมานะกีที่แล้วก็มีสองเล่มนะ ออกมาเนื่องในงานนี้นะปีนี้มีสามนะก็มีหนังสือประวัติหลวงพ่อนะชื่อว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรอันนี้สีสีทั้งเล่มเลยนะสีสีทั้งเล่มเลยนะเป็นการชิมลางเพราะว่าเล่มใหญ่ยังไม่ออกมาก็ออกมาในงานแปดสิบปีก่อนนะเล่มใหญ่อาจจะออกมางานแปดิบสี่ปีหลวงพ่อก็ได้ครบเจ็ดรอบอีกเล่มนึงก็ลําลึกถึงหลวงพ่อคำเขียนนะพิใหม่นะ เป็นครั้งที่สมแล้วก็หนากว่าเดิมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นรวบรวมคัดเลือกความคําสอนของหลวงพ่อนะสนุกรู้สนุ ก, นกเห็นก็ทั้งหมดนี้ก็แจกฟรีน ะ, ะใครที่ไปร่วมงานก็ได้รับหนังสือนี้นะโดยเฉพาะวันที่12แล้วก็มีการเปิดตัวหนังสื อ, อเล่มนึงแต่ไม่ได้แจกนะเขาขาย แต่ว่าก็สืบเนื่องกับหลวงพ่อได้เหมือนกันนะก็คือรอยคำธรรมยารานะของสนิทแมนมณีนะก็มีภาพแล้วก็คำกรอนเกี่ยวกับธรรมยาราซึ่งก็เป็นงานที่หลวงพ่อได้ริเริ่มเอาไว้งแต่ปีสี่สามแลท่านก็ไปร่วมเดินจกนกระทั่งปีสุดท้ายก็คือปีห้าหกนะอันนี้ก็เปิดตัวเหมือนกันพวกเราก็ ลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่ได้มากอะไรนะแล้วก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรนะแต่ว่าเราก็อยากจะทําสิ่งดีๆถวายหลวงพ่อหนังสือก็ไม่ใช่หนังสือเล่มใหญ่นะไม่ใช่หนังสือประเภทหนาเป็นกิโลนะแต่ว่าก็เกิดจากความศรัทธาในตัวหลวงพ่อแล้วก็พยายามเอาสติปัญญาที่มีความศรัทธ า, าที่มีกับหลวงพ่อนี้นำมาให้เกิดสิ่งที่ดีงามนะเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่ธรรม ปีนี้ก็จะมีการปลูกป่าอีกเหมือนกันนะ12สิงหาแล้วก็23สิงหานะ23สิงหานี่ก็เป็นวันมรณภาพมณ์หลวงพ่อ12สิงหานี่เราไม่มีกิจกรรมอะไรพิเศษที่นี่นะที่สุกโตนะแต่ว่าจะไปมีกิจกรรม23สิงหานะก็อย่างที่บอกนะว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมก็ดีเรื่องการปลูกป่าก็ดีเนี่ยมันเป็น สิ่งที่หลวงพ่อท่านให้ความสําคัญนะซีกหนึ่งของหลวงพ่อก็เป็นเรื่องของธรรมะการสอนธรรมอีกซีกหนึ่งก็คือการอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงปฏิบัติบูชาถวายหลวงพ่อโดยไป ร, รบเอาวันสําคัญของท่านไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือวันมรณะภาพเราก็จะมีสองส่วนนี่แหละนะเป็นอย่างน้อยนะก็คือการปฏิบัติธรรมนะแล้วก็การปลูกป่า ลูกศิษย์ลูกหานะทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งคารวะนะก็ใครว่างนะหรือถนัดนะในเรื่องใดก็ไปทำนะในเรื่องนั้นหรือถ้าใจดีก็ทำทั้งสองส่วนเลยนะเพราะว่าปฏิบัติธรรมกับการปลูกป่าที่จริงก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละนะการปลูกป่าก็เป็นการปฏิบัติธรรม นะและการปฏิบัติธรรมก็เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติเพราะาถ้าจิตใจนะมีเมตตากรุณามีความเห็นแก่ตัวน้อยลงมันจะมีความเมตตากรุณาเผืแผ่ไปกว้างขวางอย่างหลวงพ่อเขียนเนี่ยพอท่านปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้รู้ธรรมเนี่ยท่านบอกว่าท่านรักธรรมชาติมากแต่ก่อนท่านไม่เคยรักธรรมชาติเลยเห็นต้นไม้ก็ตัดตามภาษาชาวไร่าชาวนาตอนหลังพอได้เห็นธรรมแล้วท่านก็ รักธรรมชาติรู้สึกว่าผูกพันกับต้นไม้แต่ละต้นเหมือนกับว่าเขามีชีวิตเขามีจิตใจแต่ไม่ได้ผูกพันแบบยึดมั่นถือมันนะท่านก็ทำปลูกทำงานอนุรักษ์ป่าด้วยใจที่ปล่อยวางทําทไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ทุกข์อะไรก็ทําไปเรื่อยๆท่านเคยบอกว่างานล้มเหลวแต่หลวงพ่อแต่ตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลวงานปลูก ป, ป่าก็อาจจะไม่ได้ก้าวหน้าเท่าไหร่นะอย่างที่ มันก็จะเป็นนะแต่ว่าท่านก็ไม่ทุกนะท่านก็พูดอยู่เหมือนกันว่าเนี่ยธรรมะกับธรรมชาติก็เรื่องเดียวกันปฏิบัติธรรมถ้าเข้าใจธรรมก็เข้าถึงธรรมชาติและที่จริงถ้าเราสังเกตธรรมชาติอย่างเพ่งพินิษก็อาจจะบรรลุธรรมได้นะอย่างข้อความที่เขียนไว้ตรงเนี่ยในในแผ่นไม้เนี่ยอันนี้ก็เป็นคำของหลวงพ่อนะที่ท่านบอ ก, กบไว้ว่าเนี่ยธรรมะนี่ก็คือตัวธรรมชาติจริงๆ ไม่ได้นอกเหนธรรมชาติไปที่ไหนเราจะบรรลุธรรมด้วยการสังเกตจากธรรมชาติก็ได้เพราะงั้นที่หลวงพ่อบอกว่านี่หลพรอจะมีสองซีเนี่ยที่จริงก็คืออันเดียวกันนั่นแหละไมไ่เป็นซีธรรมะหรือซีธรรมชาติก็ฝากบอกกันไว้นะใครที่มีเพื่อนอยู่ที่กรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ชักชวนกันมานะงานบูชาคุณเก้าถนะึงสิบสองสิงหานี้